ขอความสุขความเจริญจึงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งทำจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกาลังนำเสนออุเทนสูตรในคำภีอุทานวังก่อนก็ได้นำความมาโดยสรุปว่าเระยเทนนั้นมีพระมเหสีสามองค์หรือพนางสามมาว ด, ดีเป็น ธิดาของท่านโคสกะเศรษฐีแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นธิดาของเพื่อนโคสกะเศรษฐีอีกทีหนึ่งเพื่อนเขาตายไปโคสกะเศรษฐีก็นามาเลี้ยงเป็นธิดาคนโตอีกท่านหนึ่งก็คือพนามาคันรยาเป็นธิดาของพรามซึ่งนามายกถวายพระพุทธเจ้า และพระเจ้าทรงแสดงถึงความเป็นมาประวัติของพระองค์รับสั่งอธิบายถึงสถานภาพของพระองค์เซึ่งเป็นการรับสั่งความจริงในแง่ของสังขารร่างกายมนะีประโยคหนึ่งที่กระทบใจเธอแรงมากก็คือว่าพระองค์ไม่สามารถจะถูกต้องร่างกายของเธอซึ่งเหมือนกับ หม้อที่เต็มด้วยอุจจระแม้ด้วยกระบาดได้ส่งมุ่งหมายที่จะปรดพ่อกับแม่ให้บรรลุมรรคผลเป็นพระนาคามีแต่ว่าก็แทงใจนางมาคันทียาวำใหเธออาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าแล้วก็มุ่งที่จะแก้แค้น พระเมษีองค์งหนึ่งคือพระนางวาสุลธัตตาเป็นราชธิดาของพระเจ้าจันลปโชตก็ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงแสดงตรงนี้คือตอนที่นางมาคัิยาได้เป็นเมสีของพระเจ้าอุเทนเนี่ยตอนนั้นนางสามาบดีก็เป็นอยู่ก่อนแล้วก็พระเจ้าก็เสด็จรกรกุลสัมขี นางสามาวดีได้ฟังธรรมที่นางขุทุตราซึ่งเป็นพี่เลี้ยงไปฟังมาแล้วก็มาเล่าถวายก็ได้บรรลุมระผลเป็นประโสดาบันกันทั้งหมดนางมากักริยาเริ่มต้นด้วยการต้องการแก้แค้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มด่าจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าเยอด่าอยู่ได้เจ็ดวันเรื่องก็ยังเรื่องก็สงบไป ต่อมาก็ทําอะไรประพุทธเจ้าไม่ได้ก็เป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธแล้วก็มีริษยาอยู่ด้วยหมายความวาในหมู่เมสีก็แข่งดีกันอยู่ริษยากันอยูป่ปัญหาสามาวดีของไม่ริษยาใครนะครับเพราะว่าท่านเป็นประโสด บ, บันแต่ว่านา ม, มาการัญญานั้นรู้สึกว่าเราคิดเจ้าแคร์เยอะ ความคิดความอ่านของท่านค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็แปลกก็เบียดเบียนหลายครั้งเ น, นกระมาอหลายครั้งจนขนาดคราวหนึ่งมีเอางูใส่ในพินของพระเจ้าอุเทนแล้วดอกไม้ไปอุดเอาไว้ตอนพระเจ้าอุเทนเสด็จไปที่ปราสาทนางมาคันดียานางพนาสามาว ด, ดีเธอก็อ้างว่า เมื่อคืนมีฝันไม่ดีก็เป็นห่วงพระเจ้าเทนเลยข้อตามเสด็จไปด้วยพมพระเจ้าเทนเผลอก็แอบดึงดอกไม้ที่ไปอุดช่องตรงนั้นเอาไว้งูก็เลื้อยออกม า, ากนางก็กล่าวหาใส่ร้ายนางสามาวดีกันด้วยประกาศต่างๆเจนพระเจ้าเทนหลงเชื่อนะฮะว่านางสามาวดีคิดนอกใจจริงๆก็ขึ้นธนูจะยิง นางสาวสาวมาวดีพร้อมกับบริวารทั้งหมดได้ยืนเรียงแถวนะฮะได้ยืนเรียงแถวแล้วก็ยิงก็คิดว่าจะให้ทะลุไปเลยแต่ตรง น, นี้เป็นเรื่องแปลกโ อ, อ้มันเป็นไปได้ไหมพี่ว่าคนคนหนึ่งสามารถยิงให้ทะลุคนมันก็ร้อยเป็นพวงไปเนี่ยแต่พระเจ้าเทมันยิงไม่ได้ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของพันธุะนระเสนาบดีพระเจ้าประสิทธิ์มิโุศลเนี่ย เมื่คราวหนึ่นงพนางมาริกาเทวีของท่านก็เขารียกะไรแพ้ท้องนั่นะฮะแพ้ท้องอยากจะลงอาบน้ำในสระมงคลของกษัตริย์ลิศีในแควนวัชิแต่ว่ามันมีการอ า, ารักขาอย่างแรงมากสระนี้พันธุลัเษณาบดีก็นำ นางมาริกาเนี่ยขึ้นรถไปแล้วก็ลุยเข้าไปคือคล้ายๆกับร้นเลยก็ไปเพื่อให้พันยาได้ดื่มน้ำอาบน้ำในสระที่เป็นมงคลเขากษัตริย์ลิบวีโกรธยกกองทัพไล่เลยเป็นกองทัพที่ขึ้นมามาลีซึ่งเป็นเพื่อ น, นรู้อำนาจ ศิละปะของพันธุระดีก็ห้ามปล่าไม่อย่าตามไปตรงนี้ก็ไม่ยอมอ่ะมาลีก็สั่งว่าถ้าตามไปเมื่อเห็นรถที่ตามเนี่ยเขาขึ้นรถตามไลยนะรถก็ไล่ไ ล, ลร่รถม้ารถหมาอความวารถด้วยกันเดี๋ยวรถเทียมมาพอ พวกนิจวีรถเรียงเป็นซี่นี่เขาบอกว่าพันธุละยิงรวดเดียวนะฮะทะลุเกราะไปเลยทะลุไปออกที่คนสุดท้ายแล้วก็ในที่สุดเมื่อไล่มาทันแล้ก็บอกบอกไม่หักรบทะคนตายกคุณตายหมดแล้วแต่บอกพวกคุณนี่ตายมาแล้วให้รีบกลับไปบ้านก่อนจะถอดเกราะให้สังเสียลูกเมียเถอะกันแล้วยิงถอดเกราะ คนนั้นก็ไม่เชื่อท่านก็บอกทั้งนั้นทดลองถ อ, ถอดเกราะ อ, องค์สุดท้ายดูพอถอดเกราะปรากฏองค์สุดท้ายตายมัทั้งหมดเนี่ยเขาบอกถึงห้าร้อยดกันึกไม่ออกมันมันแม่รถห้าร้อยในวงยาวไม่ใช่เลน่นมีพลังในการยิงขนาดนั้นจละแต่นี้ก็ท่านบอกไ ว, นะว้นะฮะเพราะว่าแนวพวกนี้คือเวลาพูดถึงนักรบของอินเดียเนี่ย เนอริชุนในหม า, าพาราตยุตหรือพวกพีมะพีมะที่เป็นพี่ของอริชุนเป็นน้องขขายุติจัตเทียนเนี่ยพวกนี้มีกำลังมห า, าศ า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาลนั่นก็พูดแนวคล้ายๆกับเรื่องสามกบเนี่ยเราจะเห็นว่าคนอูนี่มีแรงมากเราสามารถฟันคนชั่วเดียวขาดได้แต่นีนไม่แจกไม่ชนเดียมันเยอะแล้แก ก็สรุปว่าในที่สุดพวกคลิยชีวิแล้วนางก็ตายหมดพระเจ้าเทนนั้นยกสอนท่าจริงแต่ว่ายิงไม่ได้อ่ะพวกนางเหล่านี้เป็นพระยาบุคคลระดับโซดาบันนางสัมมาวลีก็ตักเตือนบอกว่าอย่าทำใจให้โกรธต่อพระเทวีอย่าทำใจให้โกรธต่อพระราชาให้แผ่เมตตาต่อพระเทวีพระราชาและกองโด้วยด้วยพลังผ้าแห่งเมตตาเนี่ย พระเจ้าเทนยกธนูจะยิงวิ่งไม่ออกนั่นจะยิงไม่ออกแล้วก็ปร่งลงไม่ได้เลยขาก็แข็งมือก็แข็งไม่ยิงแข็งอย่างนั้นนะยิงออกไปไม่ได้ทั้งก็สลดประทศไทยเพราเป็นความผิดพลาดขนาดใหญ่แล้วก็ขอขมาโทษนาะงสามรารีหลายครั้งหลายคราวให้หนางส า, มาวมาดีอดทธรให้หนางสาวมาวดีก็ไม่อดทธหรอก บอกว่าเธอนะั้นมีลูกมีพ่อมีแม่เพราะได้ใจอดโทษมันก็ต้องไปให้พ่อของเธออดโทษท่านก็พร้อมใจไปขอโทษต่อโคศกท่านบอกไม่ใช่โคศุเพราะคนท่านคือพระพุทธเจ้าแต่การทำในลักษณะนี้มันก็เหมือนกับเรื่องนางอุตราที่เคยเล่าให้ฟังนางอุตรานั้นก็แผ่เมตตาเมื่อนางสิริมา เอาน้ำมันร้อ น, อนๆไปราดบนหัวแต่ด้วยพลานุภาพของเมตตาจิตเนี่ยน้ำมันเย็นสนิทก็ทําให้นางรีมารู้คุณของนางอุตรารู้คุณของธรรมะแล้วก็ขอกรรมาโทษนางอุตราบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าถ้าพ่อของเธออดโทษให้เธอก็จะอดโทษให้วันนี้ก็พร้อมจะไปขอโทษของปุณณเศรษฐีแต่ว่าเธอก็บอกไม่ไม่ใช่ปุณณเศรี นั้นเป็นพ่อในโลกนี้แล้วพ่อในธรรมของเธอนี่คือพระพุทธเจ้าพระนางสาะนางฟิลมาก็ต้องไปขอโทษพระพุทธเจ้าเจ้าก็เทศได้ฟังก็บรรลุมมผลปเป็นโซนาบันเจ้าเทนบอรับว่าจะไปขอโทษพระพุทธเจ้าแล้วก็นางก็บอกว่าให้พระองค์วางธนูหรือยิงไปนในด้านอืน่นวางธนูก็วางได้นะอันนี้ถือว่าอิทธิฤทธิ์ขนาดไหน คือถ้าถ้าทำอย่า ง, างนั้นจริงๆน ะ, ะแสดงว่าศิละปะในยุคโบราณเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะดูแนวความคิดอะไรห ล, หลายเรื่องนะฮะคือยังไม่ออกไปจากกรอบที่ทาหารก็ทำสงครามกันในยุคนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของของทัพที่รบกันเนี่ยว่าจะต้องหนึ่งคือต้องฉลาดในสยภูมิ ต้องใช้คำบาลีว่าฐานะกุสโลเจโหติคือหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในเชยภูมิคือมีใช่ภูมิเหนือกว่าข้าศึกสองดูรปาตีคือยิงได้ไกลสมรรถภาพสมรรถนะในการยิงของอาวุธเนี่ยต้องยิงได้ไกลแล้วก็อคณะเวดีคือยิงได้ไวกระสูนไวเราจะเห็นว่าความคิดของปัจจุบันในกรสุนมันออกมันทียิบเป็นวินาทีเลย มันก็เหมือนกับการรบในสมัยราแต่จะเปลี่ยนได้วอาใช้ธนูหญิงส่วนในสังกบก็เหมือนกันนะเจ้าพระก็ใช้ก็พันก็ยิงไว้นะแต่ว่าก็ยิงหลายคนแล้วก็มาโตกายญสปดาเลตาคือทําลายขุมกําลังฆ่าศึกได้ดูส่วนหัวกําลังส่วนหัวมันอยู่ที่ไหนก็ทําทลายส่วนหัวหได้แล้พวพระเจ้าก็นํามาสอนเป็นการปฏิบัติธรรมะ แต่ว่าเป็นยุทธวิธีนะฮะเป็นยุท ธ, ธศาสตร์เป็นยุทธวิธีที่ใช้กันในการทําสงครามแล้วพูดเคียงเมื่อกันทำสงครามในปัจจุบันมันก็ไม่เห็นต่างอะไรคือเชยภูมิก็ต้องเหลือกว่าข้าสึกต้องยิงได้ไกลจนกลายเป็นขีปืนาวุธแล้วยิงขําคข้าทวีดได้แล้วแล้วยิงได้ไวอาวุธต้องไวมากแล้วก็ทําลายคุ้มประมังข้าสึกได้ทําลายศูนย์ใหญ่ได้แล้วแสดงว่ายังไม่ไปถึงไหนอ่ะนียังรบไปอยู่แบบเดิม เปลียนตัวเครื่องมือมันเปลี่ยนไปอะ้นั่นเองก็เวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยสอนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือฉลาดในใจภูมิหมายความว่าเราจะต้องมั่นคงในศีลพูดไปพูดมาชาวบ้านก็ต้องอยู่ในสีนห้าเป็นหลักเลยถาเป็นฐานก็ชีวิตเลยมนุษย์เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสีห้า เราเคยตั้งข้อสังเกตเคยสอบถามคนเป็นจำนวนมากที่พอจะถามได้นะคือคุ้นเคยพอจะถามได้แล้วก็ส่วนมากก็เป็นเด็กถามว่าเคยรักษาศีลได้สักสีห้าวันไหมเป็นเรื่องแปลกแต่จริงคือเด็กในห้องเป็นสี่ห้าร้อยไม่มีใครกล้ายกมือเลยสักคนเดียวไม่ยนึก ด, ดูว่าเอศีลห้านี่อะไรมันยากย็นนักหนาเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันบุกสมัยนี่ไม่มีความจาเป็นอะไรจะต้องฆาศั นีความจะเป็นอะไรจะต้องรักษาไม่มีความจาเป็นอะไรที่จะร่วงเกินคุกครองคนอื่นมีความจะเป็นอะไรที่จะต้องโกหกยิ่งสิ่งเสพติดแล้วก็ไร้สาระโดยแท้เลยทำไมวัตถปัญญาของคนความคิดอ่านของคนการศึกษาของคนซึ่งมันเจริญก้าวหน้าเยอะทำไมเรื่องอย่างนี้คิดไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแล่จริงก็ไม่รู้จะพูดกับเขาอย่างไงนะ เรัสเซียที่ใชยภูมิใช้ภูมิรัสเซียเลยเพื่อนรบจิงแพ้แพ้อะไรแพ้ต่อสังคมบริโภคเว้นี้ เ, เ ร, รากลายเป็นสังคมบริโภคไปมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวนชวนชัก ช, ว น, ช, ว, นชวนรถแรกแจกแถมได้รีการต่างๆเพราะจิตใจไม่เข้มแข็งศีลห้ามีทุก ม, มีปัญหาทุกข้อ จนเป็นเรื่องที่น่าสลดใจว่านี่หรือคือสังคมพุทธที่มีคนสอบถามกันแล้วก็บูเรติคือยิงได้ไกลเนี่ยมองให้เห็นชีวิตร่างกายสิ่งทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดีปัจจุบันอดีตยนาคตก็ดีเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาทางนั้น แล้วก็ยิงได้ไวคือรีบปฏิบัติให้บรรลุผลแห่งธรรมะให้โดยไวคือรู้แจ้งอริยสี่ด้วยไวโดยอะไรโดยทำลายคุ้มประมางค้าสึกใหญ่ให้ได้คุ้มประบางค่าสึกใหญ่เมื่อทับใหญ่ของกิเลส ก, ก็คือวิชาแล้วควาทำลายวิชาให้ได้และนี่ก็คือ คือยุทธศาสตร์ยุทธวิสีในการต่อสู้กับกิเลสนะแต่ว่าพระเจ้าเอามาจากการรบในสนามรบของทหารทั้งหลายในยุคสมัยนะั้นเพราะในการใช้าอาวุธในแนวนี้เจ้าชายทิตฐะนั้นปรากฏ ว, ว่ายิงธนูเนี่ยกระเดื่ลื่นลั่นไปเลยสร์สะท้านูคนโกงธนูได้ถึงใช้คนน้ำพันคนจึงกงธนู น, นี้ได้พอยิงไปในเสียงคํารามลั่นไปแบบ เพราะถ้าเมองว่าเ อ, อแนวธนูของในเรื่องรําเกียรติก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยแต่ลัธนูนะฮะของพระรามของพระลักษ์แต่ลัธนูนี่แรงมากๆมันก็เป็นเรื่องที่ท่านเล่ากันมาแล้วหลักฐานมันเยอะนะฮะปรากฏในที่ต่างๆเยอะว่าสมรรถนะในการทําลายขวายตรงกัน่ําของแต่ละท่านเนี่ยอาวุธมันยุบโบราณจริงแต่ว่ามีผลในการทําลายรุนแรง แล้วก็แต่ละฝ่ายก็ฝึกกลือกันมาชั้นดีจนจิตใจไม่บกแวกโดยเฉพาะหมาภาราตยุทธเนี่ยทระจะอ่านในฐานะที่เป็นตำหรับตำราในการทำสุกสงครามะก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะไรเพราะว่ามันตับจิตจนฝังใจว่าไม่บาปไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าเลย นะเป็นสัตว์แล้ววัตถุที่แทรกเข้าไปในวัตถุอุปไปกันใหญ่เรียกวัตถุนิยมสุดขั้วเพราะในวัตถุนิยมเหล่าเนี้่เราต้องมองว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยคนเป็นจงวนมากแล้วก็มากขึ้นมาเรื่อยๆคือไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเป็นอันตรายมาก เพาะความคิดแนวนี้มันเป็นการย้อนกลับนะะไม่ใช่เป็นความคิดใหม่อะไรเลยเป็นความย้อนเป็นความคิดย้อนกลับตามหลักของปริญาจาราวาของท่านอจิตเกศกัมพลกับท่านประกุตพักอาจารยนะ์นะมีมาตั้งแต่โบราณ น, น, น, นะฮะทูเจ้าก็สอนย้ำอยู่เรื่องตัเนี้ยตือนอยู่เรื่องตรวนี้บ่อยมากเราจะเจอมา เพราะเราจะเห็นว่าคำสอนนี่มันพลิกกลับมาเลยแทนที่จะล้าง่านทำลายมันใช้เมตตากันนะใช้เมตตาใช้กรุณาเป็นหลักแม้แต่ศีลข้อที่หนึ่งอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆนะว่าตอนปลายเนี่ยมันพัฒนาจิตให้มีริให้มีความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลาย แล้วก็มีจิตคิดอนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายก็คือการุณาเลยแปลว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ทำทาได้ง่ายนะแต่ถ้าจิตมันไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยแสดงถึงให้เห็นว่าเป็นการแยกระหว่างสมมติสัจจะกับปรมาทิสัจจะอย่างชัดเจนแบบใดที่ยังเป็นโลกอยู่เนี่ยแบบนั้นทุกอย่างมีหมด บาปก็มีบุญก็มีนรกก็มีสวรรค์ก็มีสัตว์ก็มีคนก็มีนะฮะมีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขาเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อเข้าถึงความสมบูรณ์เนี่ยใจท่านสูงเกินไปที่จะคิดแม้แต่จะขาาคดเพราะอะไรเพราะท่านมองคนเหล่านั้นด้วยความกรุณาเป็นเรื่องที่น่าสงสารว่าถูกทุกข์ครอบงำแล้วก็ถูกกิเลสกากับจิต ยึดมั่งยึดติดดูควาฐทานทั้งหลเพราะการมองในแนวเนี้ยที่จริงถ้าเราถ้าเรามองแม้ในวันที่เท่าไหร่วันที่สิบสองมีนานะ่ที่พูดเรื่องราหูอะไรต่ออะไรกันมากมายไกลกองเพื่อสิ่งที่เราควรควรเข้าใจเนี่ยนะควรเข้าใจวันโลกี่มันมีวุฒิภาวะที่แตกต่างกัน ตราบใดที่โลกจะมีเด็กเนี่ยตราบนั้นโลกก็มีทุกตาันไ ม, ม, ม่มีทางแยกได้แต่ว่าเราเองถ้าเราพ้นตรงนั้นมาได้เราก็มีวุฒิภาวะสูงขึ้นแล้วแต่เราต้องนึกถึงลูกหลานนะฮะ <c oughs> ยังเล่นตุกตาอยู่เราอาจจะซื้อตุกตาแต่ซื้อด้วยการุณาเราไม่ได้ซื้อด้วยโลภะแต่เด็กยังซื้อด้วยโลภะเรานี่ซื้อด้วยการุณา เรซื้อไปให้เด็กได้ก็ไม่แปลกอะไรเราแจกเด็กในเทศกาลต่างๆได้เด็กเยอะไปชอบโดยตุกกรนะดาษเพราะความเชื่อเนแง่ น, นีเรามองเขาด้วยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็ให้อภัยแล้วก็รอคอยคืออย่าไปด่าเขาเพราะเขายังเยาในด้านความคิดในด้านการใช้เหตุผลเขายังไม่พร้อมที่จะ ตัดความรู้สึกปักใจผนังใจในเรื่องเหล่านั้นออกไปได้แล้วค่อยคอยคุยกันเมื่อเราสังเกตว่าพระเทระบางรูปเนี่ยตั้งแต่มาบวชมาเนี่ยจําได้ว่าท่านโจมตีศาลพระภูมิอยู่ตลอดทุกวันยี่โจมตีอยู่ฮะท่านโจมตีตั้งแต่สาลพระภูมิเป็นเสาระแนงโจมตีจนสาลพระภูมิราคาเป็นล้าน เวเนี่ยต่างประเทศเนี่สั่งสารละภูมิไปสร้างเมืองฝรั่งนี่เยอะนะอเมริกาก็เยอะต่างประเทศยุโรป ก, ก็เยอะเลยคือแทนที่จะลดสารละภูมิมันไปเพิ่มสารละภูมิเพราะนันการการมองโลกมองชีวิตเราต้องเข้าใจนะที่เราไม่ไม่ได้บูชาราหูนะั่นดีแล้วข อ, อนโมทนาแต่เราต้องเข้าใจต้องเห็นใจนะคนที่ยังบูชาอยู่ ก็เป็นขวัญไป็นกำลังใจเขาไม่ใช่เรื่องมรรคผลอะไรหรอกมันเด็กเล่นตุ๊กตานั่นแหละแต่ข้อที่เราลืมไปอย่างหนึ่งก็คือว่าเขานั้นเขาสนนะฮะเาศรัทธาเขาสงกแล้วเมื่อทำไปเสร็จก็สบายใจเ็าปร่งใจไม่ได้บอกว่าบูชาพระราหูตกนรกนะแต่ ว, ว่าการที่ไปด่าคนอื่นไม่เป็นวิจีตุจริตอันนี้คือนรกเลย เห็นไหมเรากล่าวคําหยาบก็เป็นนรกเราด่าก็เป็นรนรกนม่เกิดอะไรมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นการมองธรรมะนั้นต้องมองว่าคือปัญญาในเข้ากํากับคนที่มีปัญญาในใจต้องสะอาดใจต้องบริสุทธิ์พอสมควรแล้วต้องมองคนที่ทําไม่ได้บางอย่างเราทำเนี่ยด้วยกรุณานะมองอย่างอื่นไม่ได้นะ มองคนที่ทำอย่างเราไม่ได้ด้วยการุนาตอนนั้นอย่างน้อยๆนี่เมตตาหรือย่างไม่มีอะไรในอุเบกขาอย่ามองด้วยการุมหมิ่นแล้วก็สับโคดนาทอเขาใช้คำแรงๆมันเกิเหตุเกินผลเนี่ยะแล้วแสดงว่าเราก็ไม่เข้าใจเข้าใจโลกก็จะจชีวิตจริงๆพรเจ้าทรงแสดงนปฏิเสธไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็น พิเศษว่าไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอนันอุดมคนถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะวิธีชีวิตถวบ้านเนี่ยจึงพูดเรื่องเทวตาพลีคือพิการที่บุคคลทำแก่เทวดามีเทวตานุสติมีเทวตมีเทวตาพลีมีเทวธรรมมีอะไรสารพัดเลยในศาสนาเนี่ยเป็นการยกระดับจิตขึ้นมา คือเขาอยู่ในทะเลเนะเขาเอาะอะไรอยู่ก็ไม่รู้สมมุติว่าเกาะขอนไม้เราก็เอาขอนไม้ที่หรือเอาเรืออะไรที่ที่ที่มันปลอดภัยมากกว่าไปส่งให้เขาไม่ใช่ปล่อยเขาทิ้งโดยยังไม่ไปยื่นอะไรให้เขาหรือยื่นให้แต่เขาไม่มีความสามารถที่จะใช้ได้การมองคนด้วยเมตตานีเป็นเรื่องสำคัญนเลนยดังนั้นในในกรณีตัวนี้ยเราจะเห็นว่า พระนางมาคันดยานั้นท่านไม่ตรหนักท่านไม่ตร น, นักทั้งทงีท่านเห็นอยู่ว่าพาระลานุภาพก็เมตตาที่เหล่าอุบาสิกาทั้งหลายห้าร้อยแผ่ไปเนี่ยมันหยุดธนูได้นะธนูไม่สามารถยิงออกไ้และในสุดพระเจ้าเทนก็ทรงเฝ้าเข้าเ้าพระพุทธเจ้าและขอกมาโทษ ก็กลายเป็นคนสนับสนุนพระพุทธศาสนาแต่ว่าก็ไม่ไม่มีหลักฐานว่าท่านได้บรรลุมรรคผลอะไรเพียงแต่ว่าตอนที่ท่านไปลงโทษที่นางมาคันดียาให้ตอนนั้นอาก็เป็นปุรหิตละคันมาคันดียะพราหมณ์นี่เป็นปุรหิตะพระเจ้าเทนเสด็จประพาสุทยาน นางมาคันยาก็สั่งอาให้ชวนคนไปปิดประตูปราสาทแล้วขับพวกผู้หญิงเหล่าเนี้ยให้เข้าไปอยู่ในปราสาทให้หมดแล้วก็ปิดประตูบอกว่าพระราชาให้เอาให้มาทานน้ามันปราสาทให้ผู้นางอยู่ข้างในเสร็จแล้วก็ทาน้ํามันเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาเลยอัตติกระถาทำบดบอกว่าตายหมดแต่อัตตกถาอุทาเนี่ยบอกว่า นางขุดสุตราไม่ได้ตายในไฟเพราะออกไปจ่ายตลาดผออกไปซื้อดอกไม้ตามหน้าที่แต่กลับมาเมื่อปราสาทถูกเผาไปแล้วแต่ว่าทางบทบอกว่าตายนะก็ฉันจะเผือไปยังไงก็ไม่รู้นะแต่สรุปว่าพระเจ้าเทนิย พอรู้ข่าวว่าปราสาทนานสามามณีถูกไฟไหม้ก็รีบกลับแต่ว่าก็แก้ไขอะไรไม่ทันเนี่ยท่านเหล่านั้นก็ตายหมดภิกษุก็สงสัยว่าคนดีๆขนาดนี้ทำไมต้องถูกไฟครอกลายพระเจ้าก็ทรงสแสดงให้เห็นว่าอุบาธิกาเหล่านี้ ตายไปแล้วเป็นคือคือคือพระท่านสงสัยถ้าสงสัยว่ายิ่ห้าร้อยมีพระนางสามาบดีเป็นประมุขทำกาลคติแห่งบาชิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพบหน้าเป็นอย่างไรพระว่ามีพระตลัดว่าในหมู่บาชิกาทั้งหมดเนี่ยทั้งห้าร้อยคนนั่นแหละอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกราขาเป็นพระนาคา พระนุบาสกาเหล่านั้นไม่ร้ายผลอะไระทำกรละเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิบากกรรมมันตามมาให้ผลมันก็ให้ผลไปแต่ว่ากุศลกรรมที่มีเป็นฐานอยู่เป็นประสรบันอยู่มันก็อาศัยทุกเวทนาแล้วนะั้นเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรูเป็นพระจักรากาพระนาคาขึ้นพระเจ้าเทนเนี่ย คือยังเห็นว่าท่านคงไม่ได้เป็นไตรยบุคคลอะไรเพราะท่านลงโทษแรงการทาทีเป็นว่าชื่นชมยินดีที่คนได้ช่วยสังหารนางสามาดีให้เพื่อจะล่อให้นางมาคันยาในหลงแล้วก็ปราบทูลสารภาพเมื่อสารภาพแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้เรียกญาติพี่น้องมาทั้งหมดคนทั้งหลายพอรู้ข่าวว่า นังมาคัมยาเป็นที่โปรดปราณก็สมัครมาเป็นญาติเยอะฮะยังนึกว่าคน อ, อันนี้เหมือนกันคนจนๆไม่ค่อยมีญาติพี่น้องอะไรอะ่พระพอถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งญาติมาจากไหนไม่รู้ยุบยับไปหมดเลยนี่คือโลกฮนะมีเงินมีทอง น, นะเป็นน้องเป็นพี่นะฮะไม่มีเงินไม่มีทองพี่น้องก็ไม่มีโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยน่าเอ็นดูมาก แล้วก็ท่านก็รับสั่งให้ขุดหลุมครึ่งสะเอวแล้วก็เอาฟางเอาญ้าอะไรแต่อะไรมาสมท่วมคนเหล่านั้นแล้วจุดไฟครอกตายเรียบเลยนะแล้วพอไฟมอดลงไปก็รับสั่งให้ไถได้ถไถเหล็กนามาคธยาก็จับแล่งเนื้อพ่อให้กินตายหมดนละมันชื่อเป็นโหนกโศกนาฏกรรมที่แรง แรงจนน่ากลัวแต่ว่าบาปรกรรมที่ไปสังหารพระยะบุคคลทีเดียวตั้งห้าร้อยเนี่ยแมมันก็หรอจะว่าอย่างไรเมนนือนะหรือคนทำบาปกรรมรุนแรงขนาดนี้บาปมันจะทันตาเหตุอย่างนั้นไดในในเรื่องพระนางสามาวดีเนี่ยกุจ้าก็ทรงประรบถึงพ่อบุญธรรมของท่านโคสกษิตี พยายามล้างผลาญโควกาศเศรษฐีรวมทั้งหมด7ครั้งด้วยกันโควกาศเศรษฐีไม่ได้ตายเดี๋ยวลูกตัวเองก็ต้องตายในขณะตัวเองตัวเองก็ต้องจอใจแล้วก็ตายนะประสงแสดงถึงโทษของการประทุศร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุศร้ายเนี่ยคนจะประสบสถานะ10บสถานะโดยพัณ แล้วแนวตัวนี้มันก็แสดงวิบาิกรรมที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะเป็นปัจจุบันก็อาจจะไปแถมด้วยเรื่องด่าพระพุทธเจ้าด้วย ห, ยหลายๆเรื่องเข้ามาก็ทําให้ามาคัญยาก็ตายไปในที่นั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงกระรับเหตุนี้ว่าเรื่องมันไม่ค่อยจะเป็นเรื่องคือถ้าเราดูให้ดีแล้วนี่เรื่องไม่เป็นเรื่องคือนั่งสมาวดีท่านไม่ได้ทําอะไรนามาคันญยา แล้วที่พระพุทธเจ้ารับสั่งก็เป็นความจริงเพียงแต่ว่านางมาคันยาแก่ไม่ยอมรับเฉยๆความจริงร่างกายคนมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นโรคอันนี้ทางเป็นรังของโรคเป็นประพังกุนงังก็ต้องเปืยหน้ามันเป็นธรรมดาของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเองทีงนี้พอใจเราไม่ยอมรับเราก็โกรธและถามว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันก็จริงอย่างนั้น ทีนี้คือคือเราลองดูลองดูว่าคนฝืนคติธรรมดาแล้วก็ทำให้เกิดธุรกิจอะไรอีกมากมายกลายกองพวกสัญญกรรมประติดทัางหลายเนี่ยพวกเสริมสวยพวกตัดต่อเติมเพิ่มเติมอะไระอะไรเด็กโฆษณาตามพายรถเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่ฝืนคติธรรมดา สิ่งที่เราฝืนไม่ได้นั้นคือความเสลาเนี่เราฝืนไม่ได้ความอ่อนเพลียเพยรียแรงเราฝืนไม่ได้โดยดึงหน้าดึงหลังอะไรก็ดึงๆงไม่เถอะแต่ผลท้ายเนี่ยคือกลัวความแก่ตัวความแก่มันเป็นสภาวธรรมมันไม่ใช่ตัวกายตัวความแก่เนี่ยมันเกิดที่ไหนมันก็สุดส่ง น, นะครับเราะนั้นร่างกายเราก็ที่จริงก็ต้องสุดส่งทาไมคนไม่ยอมรับเรื่องทั้งหมดนี้คนไม่ยอมรับอย่ น, นั้น คนพระเจ้าจึงทรงเปล่งพระพุทธทานขึ้นมาว่าสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันสัตว์โลกทั้งหลายนีย่ที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดมาด้วยโมหะเกิดมาด้วยวิชาวิชาปัจยาสังขาราสังขาราปัจายาบัญญาติถึงเนี่ยก็มาอย่างเงี้นะว่าโมหะมันรึงรัดเอาไว้คือถ้าเราขาจัดโมหะออกไปสักระดับอย่างไงไม่รู้จะเบียเดเบียนกันทาอะไรเพราะว่าต่างคนต่างๆ แต่ว่าเราก็ยังเบียดเบียนกันๆๆยัง น, ยงนึกถึงวันก่อนนี่ก็สัมมนาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันโอ้คล้ายๆกับมีอนาคตังสยานนะเพื่อนยังไม่ได้ทํางานเลยยังไม่ได้แถลงนโยบายเลยโอ้พูดเป็นตูเป็นตาเลยยังนึกว่าเอกชนนี่แปลก ๆ, ๆเป็นยังไงไปเหตุร้องประชาธิปไตยต้องการมีเสียงข้างมากเพราะเขามีเสียงข้างมากหาว่าเขาประเด็ดการในรัฐสภาออกไม่รู้จะเอาอยัางไง นั่นคือโมหะมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาไว้ทาให้มนุษย์หาเรื่องสร้างบาปให้ตัวเองได้เยอะเลยสะสมบาปริปบาปสะสมบาปวยใจนะะสะสมบาปวยกายเพราะอะไรเพราะว่าโมหะมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาไว้เกิดความมืดบอดแล้วก็จะปรากฏคล้ายๆกับว่าตัวเองมีเหตุผล เราสังเกตว่าที่นางมาคันยาเก่ทำในนึกว่าตัวเองเหตุผลแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์จากนั้นเลยไม่ใช่เหตุผลเป็นอารมณ์โกโรธอารมณ์ลิษยาอารมณ์แข่งดีอารมณ์อาฆาตพยาบาทแล้วก็ลามปามนางสาวมาวดีไม่เคยแตะต้องอะไรเธอเลยแต่เธอประทุษร้ายได้แม้กับคนที่ไม่ ไม่เคยแม้แต่ความคิดที่จะปบุธสรายตอนแผ่เมตตานะให้แผ่ถึงพระเทวีด้วยบอกบริวารให้แผ่ถึงด้วยให้แผ่ถึงงูด้วยให้แผ่ถึงพระราชาด้วยอยากอย่าทำแม้แต่คิดร้ายไม่ใช่พูดร้ายทำร้ายนะฮะคิดร้ายก็ยังไม่มีเลยแต่เราก็ไม่รู้คนนะเราสามารถทำลายล้างคนได้ขนาดนี้ ไม่กลัวอาญาแผ่นดินไม่กลัวบาปกรรมที่จริงถ้าปล่อยเธอแก่เธอก็จะเห็นว่าจริงๆที่พระเจ้าว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆรง่างกายเรามีช่องไหลข้าไหลออกกูเก้าช่องลองรู้เถอะมันมีของปฏิกูลน่าเกลียดทั้งนั้นเหมืนคนที่ปฏิเสธเรื่องเหล่านี้มีปัญหาตลอดจนถึงกับไรละ่ะมีายาอุปทาณะมีไรเสริมสวยโอสารพั แต่ผลท้ายก็ไม่มีใครรอดจากปลายแต่คนเราจะเบิดหน้าผูกพันแต่คนอยงความจริงแบบนี้ถ้าเรายอมรับมันก็ไม่มีอะไรอ่แะแตัสสังว่าคนพานมีอุปธิเป็นเครื่องผูกพันอุปธินั้นหลายอย่างนะเงก็คือขั น, นทูปธิขีขันเนี่ยรูปเป็นาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยมันเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเราถ้าผูกพันอย่างนั้นก็จบแก้ไม่ได้เรา เขาจะยึดมั่นหรือมั่นในอุปาทานขันธ์เลยในขณะเดียวกันมันตัวกิเลสเป็นเหตุทียึดมั่นเขาเรียกกิเลสสุปชัชฌิสุปัชฌิคือกิเลสที่เข้าไปยึดกิเลสมันเป็นเหตุที่ยึดต่สังขารร่างกายที่จริงมันมันไม่ยึดตัวมันนะนะฮะมันเป็นอภิยักผิดมันเป็น ก, นกลางกลามันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากจากจากกรรมจ า, จากกิเลสจากกรรมนะ จะกดธรรมชาติด้วยบางทีมันเป็นกฎเฉยๆไม่มีกิเลสไม่มีกรรมต้นไม้ผูเขาเนี่มีกิเลสไม่มีกา ร, รมมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็สังขารูประที่คือสังขารทั้งหลายนะแล้วก็กรรมผู้อุป च ีนี้กรอบเปนใหญ่มากไยใช้รวมรวมมาอุป च ิเพราะนั้นให้ลองสังเกตว่าเวลาพูดถึงนิพพานเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพาน แปล ว, ว่าดับกิเลสยังมีอุป च ิอุป च ิตัวนี้หมายถึงขันธุปชีนะฮะหมายถึงขันุปัชิหมายถึงกรรมูปัชิีผ้าระดับพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระนาคามีแต่ถ้าพราอรหันแล้วหมายเฉพาะขันธุปัชิคือคือมันมีขันนันมีขันอยู่แต่ว่าท่านไม่ยึดเพราะว่ากิเลสที่เป็นเหตุยึดนั้นไม่มีและกรรมูปัชิ ก็ดับนะฮะก็ดับไปเพราันคนคนเราเราลองสังเกตว่าท่านังไปน้่งมามันก็อยู่ตรงนี้มีขันมีกิเลสมีกรรมมีสังขารมีกทีอย่างทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยทั้งสิ่งทั้งหลายเนี่ยแต่เรารูให้ดีแล้วมันมันไม่มีอะไรอะสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเป็นรูปนามเป็นนามก็รูปแค่นั้นเองไม่มีอะไรก็เราก็ ไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ทีนี้พอมันผูกพันแล้วก็ความมืดก็คุ้มห่อเอาไว้อภิชาเนี่ยมันปิดบังเอาไว้ไม่รูค้ความจริงก็วไปยึดมั่นถือมั่นใน่สังขารในขันทั้งหลายในสังขารทั้งหลายนะฮะแล้วก็คว้าไปเรื่อยๆนะจนถึงกับไปเข้าใจว่ามันเที่ยงเที่ยงแค่ยั่งยืนคนส่วนใหญ่เนี่ย ที่ไม่ยอมนึกถึงความตายเนี่ยทั้งๆที่ทไปเผาศพเพื่อนมาหยอะๆเหมาะไม่ได้คิดนะแต่เพื่อนมาหยอกโจกนี่เอ ง, เองี่ยไม่ได้คิดอ่ะเวลานี้ก็พยายามเวละคนมานิมนต์ไปเทศงานศพเนี่ยพอท้ายเทศไม่เอาแต่ถ้าให้ปาธักถาฐานามเมตเงาเพราะมิเทศยังไงอ่ะมันคนไม่ได้ฟังอ่ะ ประเทศหน้าเมนนีนเธอต้องฟังอะ่ะเดินมาเสียงขึ้น่อกระชายเสียงเต็มเลยตอนนั้นเข้าหูจนได้แหละเี่กวตีปลาหน้าใจอ่ะเธอต้องการเทศเราคนแต่เราไม่ต้องการการเทศเรากันเทศก็ใครมานี่ม่วนเราขอเปลี่ยนถ้าเขาไม่เปลี่ยนให้เขาไปไปนี่ม่วนคนอนื่นที่เกียรติเทศเทงานศพดูไหมมันมันอะไรอะ่ะมันทําเป็นพิธีเฉยๆหน้าเมรินเนี่ย เราจะลืมเมื่อตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยเขาพูดต่อหน้าพระพุทพธรรรสรีระเขาก่าวทรรกะถาต่อพระสรีละตอนถวายพระเพลิงก็พูดตอนนั้นตอนตอน่ตอตอ่ตอพระสรีระเนี่ยทนี้กิเลสแห่งกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาเห็นอยู่นี่ก็หมายความว่าไอ้กิเลสเป็นเหตุแห่งกังวลเนี่ยอย่าลืมว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งกังวลเนี่ยก็คืออะไรคือตัณหามานาทิจิ จากใปที่เรายังมีตัณหามานาทิฐิยังรู้สึกว่าเป็นเรายังรู้สึกว่าเป็นของเรายังรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเรามากังวลเยอะเลยถ้าไม่มีอะไรเป็นของเราให้ลองนึกดูสมมติเราไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้พกพาสัตรไ์ไรไม่พกพาสัตตุ้งสตางอะไรมากมายไม่มีสร้อยไม่มีแหวนเพื่อนอะไรแต่ ไ, ไรเนี่ยไปตัวเบ า, บาสบาย แต่ถ้าเรามียอะไรไปยึดไว้เนี่ยจะ ก, กังว ล, ลจะห่วงใยจะวิตกมันทำยังไงว่าให้ลดกิเลสเพื่อนกังวลลงไปรู้สึกว่าเป็นของเราน้อยลงรู้สึกว่าเป็นตัวตนของเราน้อยลงรู้สึกว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่น้อยลงมันจะมีความกังวลน้อยลง เพราะจากใดที่เรากิเลสเหล่านี้ไม่ลดนะ่ะไม่ลดลรงไปเนี่ยความขังวลจะมากเราสังเกตบาคนบางคนนี่นอนไม่หลับนะจนมีบ้านหลายหลังมีอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยนอนไม่หลับอจนในที่สุดเธอก็ต้องหลับจนได้อะเธอก็ต้องจิ้งสิ่งเหล่านี้ไปจนได้คนที่ไม่มีกิเลสเป็นเครื่ององบนได้จริงๆเนี่ยแม้แต่เราพิจารณานะเราพิจารณารู้เท่าทัน เราจะเริ่มมนุษสติอยู่บ่อยๆอ ย, อยากพี่น้องตายแม่ตายพ่อตายวันก่อนมีลูกศิษย์เขาเ ค, คุยกันล้วกอเราเข้าไปทำศพอาจารย์อยู่เนี่ยกะมังยังไม่ได้เผาศพรุ่งนเชา้าจะเผาศพ อ, อาจารย์คืนนั้นและพี่ชายตายตกลงเขาต้องจัดการศพถึงสองศพก็อบอกว่าธรรมดานะ แต่เขาก็เป็นข้านะเป็นราชาออกันนะไม่แปลกอะไรก็รู้สึกเป็นเรื่องปกติไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรคือสังขารนั้นหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดาปัญหาสาคัญว่าถ้าเรามีปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันใชัดเจนในขณะนั้นขอมันหายก็ธรรมดาของตกแตกก็ธรรมดาคนตายก็ธรรมดาเป็นการรู้เท่าทันต่อโลภิยารม์ทั้งหลาย ลาบยศเสิมเสริสุขเสริมลาบเสริมยศมีธทาตุทุกเนี่ยถ้าเรามองเอาใจละเอาใจละเข้าไปจับปั๊บเนี่ยเราสบายเพระสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไ ป, บไปมันเป็นเรื่องของเขารุนรุนนะฮะเราเอาเราก็ไปบวกเฉยเขาต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเขาไปก่อนแบบนั้นเองเราก็เป็นอย่างที่เขาเปลยนในวันนั้น ก็บรรกรไปอบรมพระตังาณิการบอกว่าเราอย่าไปคิดว่าอายุเรามากอายุเราน้อยลงทุกวั น, นยอย่าต่อมาอย่างคิดตัวเองเนะฮะว่าตอนนี้เราก็เจ็ดสิบเอ็ถ้าเราอยู่แปดสิบอายุเราก็เหลือแค่เก้าปีแต่อยู่แปดสิบห้ามันก็ไม่ไหวะร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าแต่อยู่ได้แข็งแรงทํางานรับใช้าศาสนาได้ก็อยู่ หลวงพ่อปัญญาท่านอยากอยู่สักร้อยปีนะเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยของอาชุนละลอจุฬาลงกรณราวิทยาลัยส ม, ม็ดเราต้องใช้ไไเวลาอีกหกปีถ้าอยู่แล้วแข็งแรงทํางานได้ก็อยู่ไปเถอะอยู่ น, นานได้ก็ดีแต่ว่าสังขารนั้นต้องรู้ว่าต้องแตกแบบไปเป็นธรรมดาปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นว่าในที่สุดก็ตายหมดเลยทั้งผู้ล่าทั้งผู้ถูกล่าเนี่ตายหมด แต่ว่าคติพบแตกต่างกันท่านเหล่านั้นสถิตสวงสวรรค์หม ด, ช, ดชุดที่ถูกเผาไฟเนี่ยขึ้นสวรรค์หมดชุดที่ถูกเผาเนี่ยที่พระเจ้าอุเทนลงโทษในตกนรกหมดเพราะว่าทำบาปกรรมที่รุนแรงเอาไว้ท่าโลกท่านหลายจึงถูกจำแนกด้วยกรรมสองกลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจนเนะที่ให้ผลด้ในชาตินี้แล้วก็ให้ผล้ในชาติต่ อ, ตอไปเจ้าขงังจลาย เสงีงทรจากหมังตะไยสีวธุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงท่วนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟัง ก, กันหลายโดยทั่วกันสวัสดี